คุณค่าของศีลนั่นคืออะไรเพราะนั้นหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆอย่างไม่เคยมาอย่างนี้ น, ะนานปีจังจะสิบเอ11ปีงานพระราชทานเพลิงขององค์ท่านหลวงพ่อได้มาข่าวนั้นจากนั้นก็าห่างเหินไปนะแต่มาข่าวนี้ก็มาพบมาเจอกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องของศีลให้กับ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 ข้าพรเจ้าโจดเว้นในการฆ่านะเนี่ยคือว่าการฆ่าคานี้น่ะเราไปฆ่าเขาใช่เราไปฆ่าเขาเราฉะจานะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศารกนายาศของเราเราเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็คงเสียใจเช่นเดียวกันคะนั้นขระพทะเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันน่ะไม่เป็นผลดีทาให้กระเทือนทุกข์ใจ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 หัวโตๆท้องใหญ่ๆขารีบๆพวกเราเคยเห็นทุกวันในสื่อต่างๆและบางทีเราอาจจะไปเกิดเป็นผู้ที่ยังไม่มีเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่ในยุคนี้สมัยนี้เราคิดว่ามันจะหมดไปแล้วมันมันยังอยู่ในโลกนี้อยู่นะเะพราะนั้นถ้าเราไปเกิดในภพภูมิอย่างนั้น่ะเราจะเป็นยังไงแต่นักพวกเรานะประโชคดีอย่างมากได้มาเกิดเพราะพบในประเทศไทยเนภพ พ, พุทธศาสนาที่ว่าปฏิรูปรเทสวาโซจัก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 ขี่ไลยขี้เลพิโกงพี่การเฉียวเฉลียวฉลาดล่ำรวยมีทุกข์ทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกันทำไมมาแตกแปกแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านมองว่ากรรมกรรมคือการกระทำการคิดไม่เหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมการทากรรมทาได้3มทางเพราะนั้นการทากรรมทาได้สามทาง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 อยู่ตลอดและลึกถึงมรณะถึงความตายของตัวเองอยู่ตลอดหอลวงพ่อไปเคยประมาทนะคณะทายาทโยมโลูกหลานนะแต่ว่าประโยชน์คนอื่นอย่างสร้างโรงเรียนหลวงพ่อกั ม, มีมีส่วนที่จะช่วยไหมหลวงพ่อกัเนี่ยปีกตัวออกมาช่วยแล้วก็มาแสดงธรรมให้กับคณะทายาทโยมโลูกหลานได้ฟังนี่แหละประโยชน์คนอื่นอันนี้หลวงพ่อกว่าตั้งอยู่ใน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 เราตั้งอยู่ในความประมาทเพราะออนั้นการกล่าวสโมโภตเนี่ยสังเวทนีทย่ยกถาสมโภตทนิยกถาปรเห็นว่าสมควรกับการเละเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรษะธนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงด้วยอํานาจบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาและสั่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองคณาจารยาญาติโยมโลูกหลาน